เพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยบอกว่ามีค น, นถามผมบ้างหรืออะไรบ้างบอกว่าพอเราเกิดเป็นอารมณ์อกุศลแล้วเราควรจะเปลี่ยนอารมณ์ให้เป็นกุศลผมบอกว่าอารมณ์ที่เป็นอกุศลเป็นผลมาจากเหตุแล้วก็บอกให้ไปเปลี่ยนให้เป็นอารมณ์กุศล ไม่มีทางอยู่ในมรรคเลยแต่ถ้าท่านบอกว่ามันเกิดอารมณ์โกรธซึ่งเป็นทุกข์แล้วท่านทำเหตุด้วยการไปรู้ลมแล้วมันเกิดเป็นอุเบกขาถ้าอย่างนี้ใช่ท่านไม่ได้ไปทำอารมณ์อุเบกขาแต่ท่านไปรู้ลมแล้วอารมณ์อุเบกขาจะเกิดไม่เกิดท่านไม่รู้อย่างนี้ใช่มรรค แต่ถ้าท่านไปแก้ที่ปลายไม่ใช่ไม่ใช่คำสอนพระพุทธเจ้าถ้าบอกว่าพอเกิดอารมณ์อันเป็นอกุศลก็พยายามเปลี่ยนให้เป็นอารมณ์กุศลถ้าอย่างนี้กลับข้างละถ้าอย่างเงี้ยในทุกศาสนากำลังพยายามทำอยู่แต่มันทำไม่ได้พยายามคิดกบเกลื่อนพยายาม positive thinking มันทำไม่ได้ มันทำได้ของที่มันไม่มีข้อที่มีเล็กๆน้อยๆได้แต่ของที่มีข้อจำกัดสูงๆที่เป็นตัวกูของกูมากๆมันทำไม่ได้เพราะฉนั้นจะวนกลับไปที่โทสะซ้อนเข้าไปอีกรอบหนึ่งถ้าเราต้องการจะทำผลทำไมโกรธ ถ, ถึงไม่ดับทำไมฉันยังคิดถึงหน้าไอ้นี่อยู่เพราะคุณต้องการไปแก้ผลคุณไม่ได้ไปทาเหตุนะฝึกที่จะทำเหตุเรารู้ลม มันจะอุเบกขามันจะสงบไหมไม่ใช่เรื่องของเราจำไว้เลยเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราอย่าเอาเราเข้าไปเกี่ยวหน้าที่ของเราทำเหตุรู้ลมก็รู้ไปละสิ่งที่เป็นการปรงแต่งทางจิตก็ละไปส่วนมันจะมามันจะหมดมันจะไม่หมดมันจะมาอีกไม่ใช่เรื่องของเราเราก็ได้เห็นแล้วมันดับมันเกิดมันเกิดมันดับไม่หยุดเลยนี่เราต้องการแค่นี้แหละนะครับต้องการแค่นี้เอง เดินให้ถูกทางตั้งจิตเอาไว้ให้ถูกตั้งจิตเอาไว้ให้เป็นสัมมาทิฏฐิอย่าไปดึงจิตลงไปเป็นนิชชาทิฏฐิพอถึงปลายๆแล้วมันแก้ยากมันหาไม่เจอว่ามันผิดตั้งแต่ตรงไหนพอกัดกระดุมผิดไปเม็ดหนึ่งมันผิดลงไปหมดเลยแล้วทีนี้มันไม่ได้ไปแก้ที่เม็ดสุดท้ายนะครับเวลาแก้มันต้องตามหาอีกว่ามันผิดมาตั้งแต่เม็ดไหนครูบาอาจารย์ถึงบอกว่าไม่แก้ของใครทั้งนั้นนะใครมายัางไงไปแบบไหนก็ไปแก้กันเออเองเพราะไม่รู้มันผิดกัดผิดมาตั้งแต่เม็ดไหน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 เปรียบเสมือนฟองไข่แดฟองสิบฟองหรือสิบสองฟองอันแม่ไก่กบดีแล้วพริกให้ทั่วดีแล้วคือฟักดีแล้วโดยแน่นอนแม่ไก่ไม่ต้องปรารถนาว่าโอ๋หนอลูกไก่ของเราจงทำลายกระเป๋อฟองด้วยปลายเล็บเท้าหรือจะ ง, งอยปากออกมาโดยสวัสดีเถิดดังนี้ ลูกไก่เหล่านั้นก็สามารถทำลายกระเปะ๋อด้วยปลายเล็บเท้าหรือจะงอยปากออกมาโดยสวัสดีได้โดยแท้ฉันใดก็ฉันนั้นทำเหตุให้จิตอิสระจากผล รู้ลมไม่ใช่เพื่อให้เป็นอะไรสิ่งที่ศึกษาเรียนรู้ได้ยินได้ฟังวางไว้ เรียนกอไก่ถึงหอนกคูกแต่พอถึงกอไก่ไม่ต้องวิ่งไปดักรอว่าเดี๋ยวมันจะเป็นขอไข่ทํากอไก่ไปเดี๋ยวมันก็เป็นขอไข่เองตอนทําขอไข่ก็ไม่ต้องสนใจทำแต่ขอไข่เดี๋ยวคอควายขอกออกมาเอง ถ้าแม่ไก่กกดีแล้วพลิกไข่ดีแล้วทำทุกอย่างดีหมดแล้วลูกไก่จะออกก็ออกเองจะอยากให้ออกก็ไม่ได้เกี่ยวไม่อยากให้ออกก็ไม่เกี่ยวแต่ถ้ากกแล้วทำไมลูกมันไม่ออกก็แสดงว่าอาจจะพลิกไม่ทั่วกกไม่ดี อุณภูมิยังไม่สม่ำเสมอก็ปรับท่าทางการกบใหม่มาปรับที่เหตุวิ่งทุลนทุลายฟูมไฟทำไมไก่ไม่ฟักไม่ใช่พอสมควรครับก็ทำเหตุไปนะครับรพุทธพธน์เมื่อกี้ก็ชัดเจนนะเข้าใจภาพได้ง่ายๆ ทำเหตุไปแม่ไก่ก็ทำเหตุไปไข่จะออกไม่ออกมันไม่ได้เกี่ยวกับความอยากหรือไม่อยากหน้าที่ก็พลิกไข่ให้มันทั่วถึงทำไปเรื่อยๆอย่าไปโอ้แม้ทำความเพียรมาตั้งนานแล้วนี่ก็ตั้งหลายปีแล้วเวลาฟังหลวงปู่หลวงตาองค์นั้นเดินทุดดวงเดินไม่เท่าไหร่เองก็บรรลุแล้วที่ของเรานั่งมาั้งนานแล้วเนี่ยครึ่งชั่วโมงกว่าแล้วไม่เห็นบรรลุเลย สวทธาทุปกกัจเหรุคือท่านทำแป๊บๆป๊แป๊บๆท่านบอกว่าวินาทีบรรลุธรรมเหมือนฟ้าแต่แป๊บๆเหมือนไฟช็อตเราทำมาตั้งนานไม่เห็นได้อย่างท่านตั้งเลยพระป่าเนี่ยไม่มีการคุกคีกันเป็นหมู่ๆมู่เสร็จแล้ว ท่านก็แยกย้ายกันไปบินตบาทเสร็จฉันเสร็จก็แยกย้ายไปอยู่ตามที่ของท่านไม่มีใครพูดไม่มีใครจากกันนอกจากเวลาฉันน้ำปานหน้าก็มาสนทนาธรรมกันบ้างแล้วก็ไปเชิญครับบ่ายโมงเอากลัวเกิดมาด้วยนะครับ